มีงานบรรจุพระาธาตุของปู่สุวัตห้าหกเจ็ดนวงตาเ ป, ปาน็นบรรจุมาที่หกหลวงปู่สุวัตกาเขาเออกมานะบาส่วนก็เป็นพระาธาตแล้วมที่สอคอครูบาอาจารย์ระดับนี้มีไม่มากหรอกมีน้อยกว่าที่เราเชื่อนะเราเชื่อเยอะกว่านะคือท่านก่อน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 แต่มันดิ้นตปดินมาหลังจากนั้นไม่เจอท่านนานหลายปีนะเป็นท่านตลดความเดินไม่ได้ไปอยู่อเมริกากลับมาไปเจอท่านอีกทีปีสี่สามท่านมาอยู่ที่สวนทิพยไปกราบท่านโอ้โหไม่เหมือนเดิมเลยเปี่ยนไปหมดละเปลี่ยนแปลงใจก็นึกหนะ้าทําไงจะดีอย่างท่านบ้าง น, นะ ยังไยจะได้อย่างท่านบ้างดูท่านหมดจดงดง า, งามดูเราเทียบกับคนทั่วๆไปแต่ก่อนแล้วก็เราว่าเราก็าาหมดจดนะกอือเจอแต่ท่านนะคล้ายแมวไปครุกขี้เท่ามาหม่อมแหมการภาวนาเปลี่ยนแปลงคนได้นะเปลี่ยนแปลงโดยพื้นฐานของพวกเราเุาสกปรก ภาวนาแล้วดูหมดจดผ่องใสรดงามขึ้นทุกทีทุกทีพวกเราเองหลายคนที่ภาวนาจนสติเกิดรู้สึกไหมผ่องใสดูตัวเองเองดูได้เลยนะไม่ต้องให้คนอื่นเขามาดูหรอกคนอื่นเขาดูแล้วก็โคงเห็นหน้าตาเหมือนเดิมยกเว้นแต่คนที่เขาชำนาญเรื่องจิตใจดูไม่เห็นหน้าเราเท่าไหรไ่เห็นจิตเห็นใจจิตใจผ่องใสเปลี่ยนแปลงนะหน้าตาเปลี่ยนนะ หน้าตาเปลี่ยนคนหน้าตาดูไม่ได้เลยเรมีสติรู้สึกตัวขึ้นมาเปลี่ยนแปลงมากมายทางร่างกายก็เปลี่ยนแปลงทางจิตมันเปลี่ยนไปก่อนพอจิตเปลี่ยนแปลงเนี่ยรัศมีของจิตเนี่ยค่อยๆฟอกร่างกายค่อยๆฟอกไปเรืยกระดูกก็เยื่อขาวแบบคนทั่วๆไปนะค่อยๆขาวขึ้นขาวขึ้นทั้งเส้นผม ตัดออกมานะมันรวมเป็นก้อนๆ น, นะมันมีแรงดึงดูดเยอะ mm hmm. แต่ถ้าเราไปดึงออกมาเนะไม่ค่อยรวมแนละ้วไปดึงออกงั้นภาวนาจิตใจก็มีความสุขจิตใจปองใสร่างกายก็ปองใสบางคนไม่สบายเคยมีไม่สบายที่เคยรู้ไม่สบายมากๆแบบไม่รอดแล้วจิตเข้าถึงธรรมตรงนั้นก็ดีเลยนะ ลัทมีของจิตมันซักฟอกร่างกายใหม่หายเจ็บหายป่วยก็มีนะเคยมีครูบาาจารย์องค์หนึง่งท่านหลงป่าเข้าพม่ า, มาไปแล้วก็เก็บฝนสามวันสามคืนเหมือนหลงทางข้าวก็ไม่มีจะฉันปอดบวมข้าไปหลบฝนอยู่ในถ้ำก็ภาวนารู้สึกแบบนี้ต้องตายแน่ๆเลย ถึงแข็งแรงนะั้นก็จะรอดออกจากป่าเราไม่รู้ก็หลงทางท่านก็ภาวนาท่านไปเรื่อยดูกะว่าถ้าตายแล้วจิตใจจะห่วงอะไรไหมดูตั้งกายนี้ไม่ห่วงแล้วดูจิตดูใจก็ไม่ห่วงแล้วดีใจไม่ยึดอะไรซักอย่างอ็พร้อมจะตายแล้วจิตใจไม่ยึดอะไรซักอย่างท่านก็ดูไปเรื่อยเรื่อย ไ, ไม่ยึดอะไรเลยทําไมมันมีอะไรก็ไม่รู้แปลกๆก สังเกตไปเรื่อยๆยึดความไม่ยึดอะไรท่านเห็นนะท่านยึดความไม่ยึดอะไรยึดความว่าตรงนี้ขาดปั๊บลงไปจิตท่านสว่างจ้าขึ้นท่านที่นึกว่าในถ้าอยู่ในถ้ามืดๆนะกลางคืนนะนึกว่าสว่างนะดูนาฬิกาก็ยังไม่สว่างนะกลางคืนมองข้างนอกก็มืดตึดตืเลยแต่ถ้าทั้งถ้ำนี่สว่างแล้วท่านหายป่วย เสร็จแล้วตอนเช้าฝนหยุดแล้วออกมาจากถ้ำหิวนะหิวไม่มีอะไรฉันหลายวันเจอลิงมันถือมละกอรกระตาษอย่างนะกระากระดาษแล้วมันทํามละกอหลุดจากมือตกลงมาที่พื้นมันก็มองหน้าท่านนะมองมละกอมองหน้าท่านก็นึกว่าเอ๊ะมันไม่กล้าหยิบมัง้งคงกลัวท่านว่าตก้มลงหยิบเดี๋ยวท่านเล่นงานนะท่าเลยกลับเข้าถ้านะเป็นเราเราจะแย่งลิงกินใช่ไหม เราก็จะมีเหตุผลเราต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนจะได้มีแรงภาวนาต่อไปอีกใช่ไหมท่านไม่เอาท่านกลับเข้าถ้าไปลิงจะได้มาเก็บมละกอุืนไปเข้าไปพักนึงออกมาปรากฏว่าลิงมายืนอยู่ที่พื้นดินแล้วถือมรละกอนอันนี้มันกลิ้งมือนให้ท่านแล้วก็หนีขึ้นต้นไม้ไปเลยลับดูมละกรุ่นนี้นะมีรอยนกเจาะเจๆไว้ด้วยอุตส่าไปเก็บมาให้นะ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 รู้ลงในกายรู้ลงในใจเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์ล้วนๆ้วยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเป็นเรื่องประหลาดนะรู้ทุกข์แล้วมีความสุขเนี่ยรู้ทุกข์เราคนทุกข์มีแต่ความสุขล้วนๆใครๆก็ s, อยากลาทุกขทั้งนั้นเลยแล้พระพุทธเจ้ า, ากับสอนให้รู้ทุกข์ทุกข์อยู่ที่กายรู้ลงในกายทุกข์อยู่ที่จิตใจรู้ลงในใจรู้ไปเรื่อยจนวันหนึ่งไม่ยึดถือในกายในใจไม่ยึดถืออะไรเลยรวมทั้งไม่ยึดถือความไม่ยึดถือด้วยนะ เดเมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อเล่าเสร็จแล้วท่านไปยึดว่าไม่มีอะไรแต่พอท่านผ่านตรงนี้นะท่านจิตใจท่านก็เปลี่ยนไปเยอะแยะท่านกลับเข้ามาในเมืองนะตอ น, นั้นยังดีมีโยมคนนึงรู้จักท่านนิมนต์ท่านไปฉันก็มีคนรู้จักหลวงพ่อเนี่ยบอกว่าเนี่ยท่านมาจากป่าละเลยไปหาท่านเป็ที่บ้านเขาเนี่ยเป็นตึกแต๋วนะไม่เจอหลายปีนาะนๆเจอปีหนึ่ง มันก็เล่าการภาวนานะเวลานักปฏิบัติเจอกันสนทนาทกันด้วยเรื่องการปฏิบัติล้วนๆ น, น, น่าฟังมากเลยน่าฟังมันเป็นเรื่องของการต่อสู้กับกิเลสของตัวเองนะนะั่นแหละไม่ใช่สู้คนอื่นนะสู้กิเลสของเราเองลมลุกลุกค ล, ลานอีตอนสู้นะฟางตายแต่ตอนสู้ขานมาแล้วมันํานะมันคนะําว่า แต่ก่อนทำไป ม, มันโง่นะของง่ายๆเท่านี้เองนะไม่เข้าใจพอผ่านได้มันจะขำตัวเอ ง, งทีรู้สึกสมเอชตัวเองนะโอ้ยทำไมมันโง่หลายนะโง่หลายของง่ายเท่านี้ไม่เห็นถึงเห็นแล้วรู้เห็นแล้วนะยังไม่เข้าใจง่ายกว่าที่นึกนะการภาวนาถ้าเมื่อไรภาวนาแล้วรู้สึกยากสังวรไว้เลยว่าผิดแน่นอน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 หลายคนภาวนาแทนที่จะมุ่งมาให้เห็นกายหเห็นใจเป็นใจรักให้เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกือบทั้งหมดที่ภาวนาแล้วลงลุกพลุกพล่ลานนะั้นภาวนาเพื่อจะให้มันเที่ยงเพื่อจะให้มันสุขเพื่อจะบังคับมันให้ได้อย่างภาวนาแล้วก็อยากให้จิตใจสงบถาวรให้สุขถาวรให้ดีถาวรอย่างนี้ภาวนาแล้วจะเอาอยากได้อยากได้ความสุขอยากได้ความสงบอยากได้ความดีเี่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 ไม่ยึดถือในกายไม่ยึดถือในใจเป็นอิสระอิสระจากกายจากใจความสุขมันอยู่ที่พ้นขันไม่ใช่ความสุขอยู่ที่ดัดแปลงขันสำเร็จแล้วพวกเราภาวนารู้สึกไหมอยากดีอยากสุขอยากสงบอยากได้มักผลนิพพานมีแต่คาว่าอยากนะมีแต่คำว่าอยา ก, นะายากลืมไปว่าความอยากเกิดที่ไรความทุกข์ก็เกิดที่นั้นน่ะ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 อยากให้เราบรรลุมรคผลนิพพานมันมีความอยากใจกระติ้นใจกระดิ้นแล้วใจกระทุกนื่นตราบใจที่ละอวิชาไม่ได้นะตัณหาคือความอยากก็จะไม่หมดไปจะหมดเป็นคราวๆพอมีสติรู้ทันแนละ้วก็ดับไปพอขาดสติแล้วกลับมาอีกนั่นเลยต้องมีสติรักษาจิตอยู่ตลอดเวลาแต่พอภาวนาจนถึงที่สุดแล้วมีปัญญามีวิชาเกิดเลยมันไม่ไปหยิบฉวยจิตขึ้นมาไม่ต้องรักษาจิตแล้ ยังถามว่ามีสติไหมมีก็มีไปอย่างนั้นเลยไม่ได้มีเพื่อรักษาจิตเพราะจิตนั้นไม่ต้องรักษาเพราะคืนโลกคืนธรรมชาติไปแล้วนธรรมะนะมันเป็นสิ่งที่เรานึกไม่ถึงเรานึกไม่ถึงเราภาวนาเราก็หวังว่าวันหนึ่งจิตเราจะดีจะสุขจะสงบสาวอดวาดภาพพระรหัตไวอย่างนัน้นจริงไม่ได้เป็นอย่างที่นึกหรอกคนที่วางขันไปแล้วจากคนที่มีขันอยู่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 ใช่รู้อย่างอื่นนะในขณะที่เราต่อสู้ตลุมบอลไปจิตใจเกิดปัญญาเกิดสติเกิดสมาธินะเกิดคุณงามความดีแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันอิ่มโมิอิมใจแต่สักพักหนึ่งมันพบว่าไม่ใช่นะยังเสื่อมไปีมีสติก็ขาดสติได้นะมีสมาธิก็ขาดสมาธิได้มีปัญญาก็โง่ได้อีกเนี่ยยังของกลับกรอกของแปรปรวนอยู่ จิตใจก็ถูกกิเลสย้อมได้อีกแล้วมันยังรู้สึกลึกๆนะว่ายังขาดอะไรอย่างหนึ่งที่ยังไม่รู้แจ้งตราบใดที่ยังขาดอันนี้อยู่เนี่ยจิตยังไม่เลิกดิ้นหล่นคนขว่าจปนวันหนึ่งจิตรู้แจ้งอริยสัจแต่จิตรู้แจ้งอริยสัจแล้วจิตคืนกายคืนจิตให้โลกเลยมันคืนกายไปก่อนนะสุดท้ายมันหวงอยู่ที่จิตอันเดียวนี้แหลพะพอคืนจิตให้โลกไปแล้วไม่ยึดถืออะไรในโลกอีก งานตรงนั้นก็หมดตรงนั้นเองเข้าถึงความสุขที่นึกไม่ถึงเป็นตังตินเขียนหนังสือมีชีวิตที่คิดไม่ถึงใช่ไหม เ, ออเขียนดีเหมือนกันคิดไม่ถึงหรอกคิดไม่ถึงชีวิตที่เหลืออยู่เป็นชีวิตที่คิดไม่ถึงจริงๆใครไม่เคยมาบ้างไหมมีไหมหมือให้หลงเข้าดูเลย เคยฝึกกันยังไงฝึกแบบไหนจิตยังไม่ตื่นนะจิตจิตมันยังไม่ตื่นขึ้นมาจริงๆค่อยๆฟังนะทนๆ น, นิดนึงถ้าเมื่อไรเรามีสติเราเรู้รู้สภาวธรรมคือกายกัยใจถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันจิตจะตื่นขึ้นมาโดยธรรมชาติเนี่ยจิตของเราจะหลงอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลา อันนี้พูดทั่วๆไปเลยนะคนที่มาใหม่ๆฟังได้เหมือนๆกันคือเดิมเราไปฝึกกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไหลใๆอย่างบางคนก็ฝึกปองยุบบางคนหัดพุทโธคนหัดอนาปนาสติบางคนทำจังหวะอย่างสายโลงพ่เทียนบางคนดูเวทนาอย่างสายท่านโกอินก้าบางคนรู้อิริยาบทสี่อย่างสายจันแนบที่นี่แต่ละคนก็ฝึกกันมาคนละอย่างสองอย่าง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 ทำไมสติไม่เกิดเพราะไม่เข้าใจสติต น, นแรกเลยไม่รู้ว่าสติคืออะไรเรามาก่กจะคิดว่าสติคือการกำหนดในความเป็นจริงเนะืสติเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ระลึกรู้สภาวธรมรมระลึกรู้สภาวธรรมที่กำลังปรากฏงั้นสติมีหน้าที่ระลึกรู้สติไม่ได้แปลว่ากาหนดตรงนี้ถ้าถ้าปรับซะนะ เวลาเรารู้ลมหายใจเราชอบกำหนดลมหายใจใช่ไมรู้ท้องผ่องยุบเราก็ไปกำหนดท้องเดินจงกรมเรากำหนดเท้ารู้อิริยาบถสี่เรากำหนดร่างกายทั้งร่างกายขยับมือทำจังหวะเรากำหนดมือรู้เวทนาก็ไปกำหนดเวทนาถ้าเมื่อไหรเรากำหนดเข้าไปที่ตัวอารมณ์นะสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าอารามันุปนิชฌานการเพ่งตัวอารมณ์คือสมถะกรรมฐาน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 บังคับกายให้นิ่งๆบังคับใจให้นิ่งๆไม่เกี่ยวอะไรกับการเจริญสตินะมันคือการทําสมถกรรมฐานนี่นหน้าที่หาดูสภาวะไปเบื้องต้นทํากรรมฐานอะไรก็ได้ที่เคยทําแล้วสบายนะถ้าเคยทำแล้วเครียดทําแล้วลําบากก็เปลี่ยนซะกรรมฐานมีเยอะแยะหาเอาที่ทําแล้วสบายผูกเจริญอย่างดูท้องพองยุบแล้วเครียดกไม่เอาเอาอย่างอื่นพุทโธแล้วเครียดก็ไม่เอาอย่างอื่ น, น, ม, ออนมีกรรมฐานให้เลือกเยอะแยะ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 สติจะระลึกขึ้นเองหรือรู้ลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกก่อนนะถ้าจะรู้ลมหายใจต้องหายใจออกก่อนจำไว้นะกว่าลมเข้าจะเข้าใจตรงนี้เหนื่อยแทบตายเลยอันนี้แจกให้ฟรีๆนะโนเฮาสนะตรงนี้นะหายใจออกจิตใจจะผ่อนคลายแล้วก็รู้ทันจิตใจไปหายใจเข้าจิตใจเป็นยังไงรู้ทันแจหายใจแล้วก็รู้สภาวะของจิตใจไปเรื่อยๆ หายใจแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้นี่คือการถัดรู้สภาวะนั่นเองดูท้องของยุบก็ได้ดูท้องของยุบ ไ, ไปแล้วจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดจิตไหลไปเพ่งอยู่ที่ท้องรู้ว่าจิตไปเพ่งท้องจิตมีปิติผลลุกผลพองขึ้นมาตัวโครงตัวลอยตัวเบาตัวใหญ่ตัวเล็กตัวหนักตัวเบามีสรารทัดนะรู้สึกบุก๊บ้บ้ า, บ า, บาเป็นอาการของปิติก็รู้ว่ามีปิติ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 เห็นร่างกายมันขยับขยื่นเคลื่อนไปไม่ใช่ตัวเราขยับเยื่นเคลื่อนไปจะเห็นเลยกายไม่ใช่เราจิตใจไม่ใช่เราความสุขความทุกข์ไม่ใช่เรากุศลนะกุศลไม่ใช่เราจิตที่วิ่งไปที่ตาจิตที่วิ่งไปที่หูจิตที่วิ่งไปคิดไม่ใช่เราสักกันเดียวนถ้าฝึกอย่างนี้นะมีสติตัวจริงเกิดขึ้นมาก็จะเห็นเลยมันไม่มีตัวเรากายไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราน่ะกุศลน่ะกุศลไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เรา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 ทุกวันนี้ที่เราเรียนกรรมฐานนะเราใจกว้างๆนะฟังหลวงพ่อพูดไปแล้วใจกว้างๆนิดหนึ่งเปิดใจฟังเราสำรวจดูสิ่งที่อาจารย์สอนกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นมันเหมือนกันไหมไม่ในพระไตรปิฎกไม่พูดถึงสิ่งเหล่านี้เลยที่พวกเราส่วนมากทากันทุกวันนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกอยู่แล้วนะว่าท่านสอนเฉพาะสิ่งที่จาเป็นเพื่อการตรัสรู้เพื่อการพน้นทุกข์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 มีอยู่คําเดียวนะกิริยาจริงๆเลยคือคําว่ารู้ น, นั่นเองที่เป็นหลักจริงๆอ่ะท่านบอกหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้นะท่านไม่ได้บอกว่าหายใจออกให้กําหนดไว้เจ็ดฐานหกฐานห้าฐานสิบฐานไม่มีนะท่านบอกหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้นะบางทีใช้คําว่ารู้ชัดก็มีเดินอยู่ก็รู้ชัดยืนนั่งอยู่ก็รู้ชัด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 มีพยาบาทนิวรณ์ก็รู้เห็ไหมจิตมีอะไรต่ออะไรขึ้นมารู้เล่นสอนเพราะฉะนั้นกิริยาที่เป็นหัวใจของการภาวนาในทางสายเอกทางสายเดี่ยวคือคำว่ารู้นี่เองคำว่ารู้มีสองในยะันะอันแรกมีสติรู้สภาวะธรรมที่กำลังปรากฏคือรู ป, ปรธรรมและนามประธรรมที่กำลังปรากฏอันที่สองมีปัญญารู้ความจริงของสภาวะรูปและนามอันนั้น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 ดังสติปัฏฐานเนี่ยเบื้องต้นทำให้เกิดสติแลนั้นเรารู้เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไนปะรู้สึกไปอย่าใจลอยแล้วก็อย่าเพ่งอยู่ที่กายจะดูจิตดูใจแล้วก็ดูจิตใจไปอย่าใจลอยแล้วก็อย่าไปเพ่งอยู่ที่จิตจะรู้รู้เวทนานะก็อย่าใจลอยไปแล้วอย่าไปเพ่งเวทนาสิ่งที่ผิดมีสองอันเลือไปกับเพ่งอาไว้เพ่งแลามันจะนิ่งไม่สามารถรู้สภาวะตรงความเป็นจริงได้ เ่สติปัฏฐานเบื้องต้นรู้กายเวทนาจิตรดำไปแต่แบบไม่เพ่งแล้วก็ไม่ใจลอยลืมมันไปรู้บ่อยๆเท่าที่รู้ได้จนจิตจําสภาวะได้แล้วสติจะเกิดขึ้นนี่สติปัฏฐานขั้นที่หนึ่งเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วจิตใจตั้งมั่นสัมมาสมาธิจำเป็นเป็นจิตใจที่ตั้งมั่นตรงนี้ต้องเรียนนะบทเรียนเรื่องสัมมาสมาธิอยู่ในเรื่องจิตตะศิขาศีลสิกขาจิตตะศิขาปัญญาศิกขายังต้องเรียนให้ครบนะ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 เนของสมมุติขึ้นมานี่เส้นทางเคื่อความนทุกข์ทางสายเอกทางสายเดียวที่เราต้องเรียนและแต่ละจุดแต่ละมุมเนี่ยจะมีแง่มุมที่ทางใครทางมันนะเนี่ยต้องเรียนเป็นรายรายไปนี่หลวงพ่อพูดในภาพรวมให้ฟังไว้ก่อนฟังไม่ทันไม่เป็นไรนะในหนังสือก็มีในซีดีก็พูดไว้เยอะแล้วไปอดทนฟังเอาเองอเชิญโยมไม่ทันข้าวนิมนต์ครับ